บทนี้จกแสดงธรรมะเพื่อ <c oughs> เป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไป <c oughs> ได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนนยะต่างๆ <c oughs> แต่ประเด็นที่สำคัญของคำว่าโลกก็คือว่าสิ่งใดที่มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นเรียกว่าโลกแลงนั้นอะไรก็ตามที่บุคคลสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัสซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกวัตถุ ก, กรรมคือเป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจหรือไม่เป็นที่ใคร่ปรารถนาพอใจก็ตามสิ่งนั้นสรุปรวมแล้วก็คือโลกในโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของบุคคลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิต จะเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลงหรือก่อให้เกิดอภิชาโรมนัตต ล, ลอดถึงก่อให้เกิดความสุขสมนัตมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องที่ทรงใช้กับมาโลกกระมคือธรรมะที่เกิดขึ้นและครอบงำใจสัตว์โลกทั่วไปและจะเกิดขึ้นแก่คนทุกคน เพียงแต่ว่าจะครอบงมใจคนได้ทุกคนหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคล น, นั้นเป็นตัวการสำคัญวันก่อนนั้นได้พูดมาถึงเรื่องลาบและเสื่อมลาบคำวาลาบก็คือสิ่งที่เราได้มาด้วยอำนาจของโลภะหรือความต้องการเป็นพื้นถ้ า, าก็ายังไม่ได้เราก็ต้องการที่จะได้ ไ, ได้ก็ต้องการถ้าจะได้เพิ่มได้มาแล้วก็ทโนทษหนมหวงแขนรักษาป้องกันเวลามีใครมายื้อแย่งมาเป็นอุปสรรคมาเป็นอันตรายต่อลาบของเราก็จะมีการต่อสู้ปราดประหานกันแต่ถ้าไม่ได้ตามที่หวังก็เกิดโศกแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกแต่นั้นท่านจึงบอกว่า ลาบกับเสื่อมลาบจึงเป็นของคู่กันการที่ทรงสอนให้ศึกษามองความจริงทั้งสองด้านเป็นการเรียนรู้ถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพราะสิ่งที่เรียกว่าโลกแล้วจะมีลักษณะอย่างนั้นจะเกิดได้ทั้งสองด้านาด้านที่เราต้องการและด้านที่เราไม่ต้องการเพราะแกเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแกเป็นก้อนแกอย่างนั้นเอง จะว่าจะเกิดข like ึ like ้นแก่ใครก็ตามแก่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วเกิดเมื่อไรแกก็เป็นของแก่อย่างนั้นมีได้มาแล้วก็มีความเสื่อมไปก็แบบเดียวก็ชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่คนที่ไม่รู้เท่าทันเึงความจริงมักจะไปตั้งความหมายไว้ที่สงนาจคำว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอยากได้เป็นอย่างนั้นเลยคือเรามักจะตั้งความหวังอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราชอบก็ขอให้เป็นอย่างนี้เถิด สิ่งที่เราไม่ชอบก็ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็จริงแกก็เป็นอย่างที่จะเป็นคล้ายๆก็เราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้อากาศหนาวร้อนเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุปใจใัจจัยหนาวแกก็ต้องหนาวเหตุปใจใัจจัยร้อนแกก็ต้องร้อนปนัญหาของคนจึงไม่อยู่ที่ไปแก้ข้างนอกเหล่านั้นแต่พยายามปรับใจตัวเองให้อยู่ได้หรือปรับตัวเองให้อยู่ได้ ในท่ามกลางอากาศหนาวและร้อนเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้หรือถ้าจะคิดไปแก้ข้างนอกก็คงจะจบสิ้นกันคือไม่มีใครทําได้มาถึงอีกคู่หนึ่งก็คือเรื่องยศกับเสื่อมยศเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ออกจุประณีตขึ้นเพราะว่าราบนั้นจะเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่คนสัตว์ทั้งหลาย ที่จะกอให้เกิดความหมกปุ่นบุนวาอยอากับเรื่องเหล่านั้นก็จะกอให้เกิดปัญหานานาประการที่ผู้เจ้าทรงแสดงในรูปของการมาสุ ข, ขันในกาญยกุกทรงใช้ทรงเชี ย, ชยเห็นว่าเป็นของต่ำเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเบือนเป็นของคนที่มีกิเลสนาเป็นของที่ไม่ประเสริฐโดยสถานะของแกแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริง คือประโยชน์นั้นก็ต้องเกิดในระดับหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อมองในแง่ประโยชน์สูงสุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดที่แท้จริงแต่การมองอันขึ้นอยู่กับพื้นฐานสติปัญญาของคนผู้มองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีการกําหนดหมายสิ่งเหล่านั้นพอมาถึงชั้นของยศเราจะพบว่าสัตว์ดิบชาญทั่วไปนั้นจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องยศเท่าไหร่ ไมาถึงก็ดินนรนสอะแสวงหาให้ได้มาซึ่งยศศักดิ์ตำแหน่งต่างๆอย่างที่ชาวโลกก็แสดงออกมาต่างทั้งที่สัตว์เองแกก็มีภาะวะตันหาเหมือนกันดังนั้นการสอนเรื่องยศจึงทรงสอนไม่หลายชั้นไม่ใช่สอนเฉพาะชั้นใดชั้นหนึ่งถึงลาบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในชั้นศีลธรรมจัญญานั้น ไปทรงแสดงถั้งการปฏิบัติความดีว่าเป็นเหตุให้เกิดจดที่มีคำบาลีอยู่เสมอทรงใช้คำว่ากัญญาโนกิติสัตโดอภุกัจจติคือเกียรติยศอันดีงามฟุง้งกระจรไปเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีที่เรียวกว่าปฏิบัติชั้นศีลธรรมในชั้นศีลธรรมนั่นเอง พระทรงเน้นเรื่องยศเอาไว้ทั้งสาประการแต่ก็ให้ความสําคัญเพียงประการเดียวแต่ยศที่มีอยู่ในโลกมันจะมีอยู่สามประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คืออิศยศคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ได้แก่การมีบริวารมากมีอํานาจในการสั่งการบังคับบัญชาควบคุมคนให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้ ยศเหล่านี้ได้แสดงไว้ทั้งสองด้านคือการได้มาในทางที่ชอบรรมก็มีการได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมก็มีป้อนหมาโจรร้ายทั้งหลายก็มีบริวารได้แต่สัตว์บุรุษทั้งหลายก็มีบริวารได้คนระดับดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีบริวารได้แสดงว่าอิสยศอิสยศกับบริวารยศ อิสยศคความเป็นใหญ่ในที่ต่างๆนั้กราวนั้นคือได้มาในทางที่ชอบทําก็ได้ไม่ชอบทําก็ได้คือชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างก็ไดแ้แสดงว่าเกิดขึ้นมาได้ทั้งสามทางประการที่สองคือบริวารยศได้แก่การมีสมัครพพวกเพื่อนฝูงบริวารมากมีความมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ตําแหน่งการงานเรียกว่าอิสยศ อิสมัครพว่พวกปริวัติมากเรียกว่าปริวาต์จดพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางทั้งสองฝ่ายคือทางดีก็ได้เป็นดีก็ได้แล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้เองในโลกผมก็เป็นเขามันอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรไปหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของบุคคลเราจะพบว่าความยิ่งใหญ่ของบุคคลบางคนนั้นก็เกิดขึ้นท่ามกลางซากศพของเพื่อนมนุษย์เป็นนั้นมากก็มี เกิดขึ้นมาจากการเชื่อเชิญชวนเชิญของคนที่ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลผู้นั้นก็มีแล้วกเกิดขึ้นจากการกระทำดีบ้างไม่ดีบ้างของคนเหล่านั้นก็มีมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปปันตยายการกำหนดความยิ่งใหญ่ของคนด้วยสิ่งเหล่านี้บางจุดก็มีปัญหาในการได้มาซึ่งบริวารยศกิจสยศ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นไปที่ตัวเกียรติยศเพราะเกียรติยศแล้วจะเกิดขึ้นจากการกระทำความดีเท่านั้นจะเกิดขึ้นโดยวิธีอื่นไม่ได้แต่การกำหนดหมายความมีเกียรติยศก็กำหนดกันที่ความรู้สึกของวินยูชนที่เรียกวินยูชนยกย่องสรรเสริญวินยูชนจะยกย่องสรรเสริญบุคคลที่กระทำความดี ทีนี้ในการกระทาความดีนั้นเองเป็นเหตุให้เกิดบริวารยศอย่างในชั้นของการบาเพ็ญกุศลประเภททานศีลหรือแม้แต่ภาวนาข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงประเภทของการให้ทานของบุคคลว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สมบัติมากให้ทานโดยตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นในการให้ทาน ผลของการในฐานนั้นก็จะส่งให้บังเกิดในสกุลที่มีฐานะทางทรัพย์สินมั่งคั่งร่ำรวยแต่จะขาดเพื่อนฝูงบริวารเพราะไม่เคยทำบุญร่วมกับใครมาแต่สมมติว่าจะได้เพื่อนฝูงบริวารก็อาจจะได้คนที่มีพื้นฐานทางสติปัญญาอัติยาสัยจะคอเป็นต้นแตกต่างกันซึ่งก็ได้มาด้วยเหตุอื่น อาจจะเหตุปัจจุบันที่เราตั้งห้างร้านบริษัทขึ้นมาก็มีคนมาเป็นลูกจ้างซึ่งคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มาด้วยความผูกพันทางใจอย่างลึกๆที่เรียกว่าการทําบุญร่วมกันแต่ก็มาเพราะผลประโยชน์ที่เขาคิดว่าเขาจะได้จากกิจการเหล่านั้นเพราะเมื่อพื้นฐานสติปัญญาอยู่ในระดับที่ห่างกันเรียกว่าไม่ใครเคยทําบุญร่วมกันมาการก่อนอาศัยเหตุเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียว มันก็ต้องหล่อเลี้ยงกันด้วยเงินตลอดเผื่อไายขึ้นบาก็อาจจะโกงกินหรือยักยอกทรัพย์สินของตนไปก็ได้แต่คนทําบุญอีกประเภทหนึ่งนั้นจะชักชวนบุคคลอื่นหรือให้ทานด้ยตัวเองและชักชวนบุคคลอื่นก็จะได้ทั้งสองอย่างคือจะได้ทั้งโพวกกระซั์และ พ, พวกบริวารในสถานที่ที่ตนเกิดแล้ว แต่คนบางคนนั้นดีแต่ชักชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ให้ไม่บริจาคท่นก็ได้บริวารได้พระพวกแต่ว่าไม่มั่งคั่งโดยพวกสมบัตินี่แสดงว่าในเรื่องยศนั้นก็ทรงแสดงเหตุที่มาแต่มาด้วยการกระทำความดีเป็นจั้นศีลทำจรยาคนเราก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันพอถึงชั้นหนึ่ง ก็ทรงสอนในหลักการปฏิบัติว่าที่จริงยศนั้นมันเกิดขึ้นมาจากการที่ถ้าเกิดขึ้นในทางดีก็เกิดขึ้นมาจากการที่เขามองเห็นความรู้ความสามารถคุณธรรมและสิ่งที่บุคคลนั้นได้แสดงออกหรือได้กระทำเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมก็ยกย่องแต่งตั้งขึ้นในตําแหน่งต่างๆ ก็เพื่อ ใ, ใช้ความสามารถเป็นต้นของตนนั่นเองทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นต้นมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าท่านเดินไปอย่างนั้นก็จะกลายเป็นอิสยศคือความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมเมื่อเป็นความเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมคนทั้งหลายก็จะยอมรับนับถือหรือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะให้ความเคารพยเกรง ไม่จะทำตามคำสั่งเพียงโครงสร้างของการบริหารแต่จะทำตามด้วยศรัทธาเลื่อมใสในบุคคล น, นั้นจิตใจของบุคคลทั้งสองก็จะถึงกันและจะไว้เนื้อเช่ใจกันได้ความเจริญก้าวหน้าของบุคคล น, นั้นคืออิสยตที่ได้มาในลักษณะนั้นจนเกิดปริวาณยศมันก็กลายเป็นความหนักแน่นมั่นคงไม่ต้องหวาดวิตกกงังวล ดังเรื่องเกียรติยศจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะมันเกิดขึ้นมาจากฐานข้อการกระทำความดีเป็นหลักก็ทรงเน้นสั่งสอนในการกระทำความดีโดยในเรื่องฐานในเรื่องศีในเรื่องที่สูงขึ้นไปก็ตามก็จะมีเกียรติคุณอันดีงามพุ่งกระจรไปเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายแต่พอถึงชั้นหนึ่งทงเน้นไปที่อิสระอิระคือเป็นใหญ่เหนือ อิสยศคือความเป็นใหญ่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายก็นี้เระสังเกตว่าความเป็นใหญ่นั้นคือการอยู่เหนือบุคคลอื่นสามารถบังคับบงการสั่งการให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการได้แต่ว่าการอยู่ในสถานะเช่นนั้นสมหรับระดับหนึ่งมันไม่แน่เสมอไปว่าเราจะยืนหยัดอยู่ได้นา น, น, น เรามีเงื่อนไขต่างๆเป็นนั้นมากที่ทําให้เราตกลงไปได้พระเจ้าก็สอนในชั้นของการเป็นใหญ่เนื้ออานาจของกิเลสและอารมณ์และบุคคลเพียนพยายามเอาชนะกิเลสและชนะอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ดีสืบังเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจในชาวโลกที่ต้องการความเป็นใหญ่หรือต้องการบริวารก็มักจะใช้วิธีการต่างๆ เช่นทำลายล้างบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อตนเองเป็นผู้ได้รับชัยชนะแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ในที่นั้นมีบริษัทบริวารในที่นั้นแต่การชนะเช่นนั้นสงใช้ว่าสงใช้กำมากลับกำเริบได้อีกคือว่าเปลี่ยนแปลงไปได้เราไม่ต้องมองอื่นไกลมองประวัติศาสตร์ของชาติไทยสมัยยุติยาในช่วงหลังๆเรานะะจะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น ในคงเสียยุติยาลักษณะพลิกผันกันเลยรเจ้าเป็นพร่ไพร่เป็นเจ้าเจ้าเป็นพร่พยพร่เป็นเจ้านั้นสลับกันไปตั้งหกเจ็ดครั้งได้กันนี่แสดงว่าไม่มีความมั่นคงความเป็นใหญ่เหล่านั้นตลอดถึงบริวารก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยเมื่อไหรก็ได้ความเป็นใหญ่เองก็มีลักษณะงอนแงนครแคลนพรุ่นรงนี้อยู่ได้วันนี้อยู่ได้พรุ่งนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ลักษณะมันก็เป็นเช่นนั้นแม้ในปัจจุบันก็คงเป็นเช่นนั้นดังนั้นจึงส่งสอนใ้เห็นว่ามันไม่ได้ดีอะไรแต่ให้พยายามชนะตนเองที่สง่งใช้คำว่าอัตตาหเวชิตังไสยโยความชนะตนนั่นแหละพระเสริจสุดก ร, รดนีที่จึงได้ท่งปรารภถึงพราหมณ์ชื่อจุเลกสาดกที่ท่านเป็นพราหม์ยากร้ายมาก สองสามีมพัญญานั้นมีผ้านน่งกันคนละผืนนั้นเองแต่ก็มีผ้าผ้าข่มสองคนหนึ่งผืนที่จะห่มออกไปนอกบ้านได้เพราะฉนั้นเมื่อใคาจะฟังเทศในสำนักพระพุทธเจา้ามันก็ไปได้ทีละคนก็เปลี่ยนกันไปวันหนึ่งจุเลกัสาศดกไปนั่งฟังเทศอยู่เกิดศรัทธาเลื่อมใสเต็มเปี่ยมอยากจะบูชาด้วยผ้าข่มของตนซึ่งมีอยู่ผืนเดียว แต่ก็จิตก็ถูกเดี่ยวไว้ด้วยความเกรงใจพัญญาบ้างสงสารปัญญาบ้างลกลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นแก่ตนบ้างท่านก็ต่อสู้กับความคิดเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนถัวค่ำก็เรียกผสมมยามของราตีตอนเชี่ยงคืนมาแล้วคือมัชชิมายาของราตีก็ชนะไม่ได้แต่ในที่สุดพอตอนสุดท้ายของราตีต่ก็มาคิดได้ประการที่เราอยู่อย่างไม่มีป้าข่มนั้นในสังสารวัตรนั้นมีมากเหลือเกิน เรื่นี้ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้วต้องบูชาพระพุทธเจ้าให้ได้ เ, เสร็จแล้วท่านก็บูชาเมื่อรู้สึกว่าจิตใจปลดโปลงไม่รู้สึกเสียดายหรือเดือดร้อนเพราะการที่บริจาคท่านก็เปล่งวาจาเหล่านี้ขึ้นมาว่าที่ตังเมที่ตังเมคือเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าปัดเซนที่โกศลได้ยินเข้าก็รู้สึกไม่พอพระไทยพระองค์ปราบมรคตมาใหม่ๆ ชนะมาใ ห, ใ ห, ใหม่ๆเมื่อไปสอบถามทราบความเช่นนั้นก็รู้สึกเตื่อมใส่ใพระราชาทานรางวัลเป็นนั้นมากคือเจ้าก็ส่งประลบเรื่องนี้จึงสแสดงถึงการชนะที่บุคคลพยายามจะชนะกันองค์เชี่ยเห็นว่าการชนะใจตัวเองนั้นประเสริฐที่สุดว่าเป็นการชนะที่ไม่กําเริบอีกแต่ว่าการชนะเด็ดขาดจริงๆในชั้นสามัญชนพึงสังเกตว่าเราชนะเด็ดขาดได้ในบางเรื่อง ที่เราเรียกชั้นศีลว่าสมุดเฉ ท, ทวิรัติคืองดเว้นอย่างเด็ดขาดแม้ความกิเลสตัวอื่นอาจจะปัดกันแพ้ปัดกันชนะได้แต่กิเลสตัวนี้เราชนะได้อย่างการงดเว้นการไม่กระทำบาปบางอย่างโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตจึงงดเว้นการดื่มสุราโดยเด็ดขาดงดเว้นโกหกโดยเด็ดขาดถึงงดเว้นการประพฤติผิดในทางประเวณีโดยเด็ดขาด มันก็ได้ตั้งแต่สองสามอย่างแต่เรื่องอื่นก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแาจจะเพาะในสายที่เด็ดขาดจริงๆมันก็ชนะได้เด็ดขาดก็ถือว่าเป็นสมุจเฉดประหารในฐานะนั้นๆเป็นความชนะอย่างไม่มีโอกาสจะพ่ายแพ้อีกแต่หมายความว่าต้องชนะจริงๆทีนี้จริงๆนี่เอาอย่างไงถ้าตามปกติในเรื่องเหล่านี้ไม่แน่เสมอไปเช่นสมมติว่าเรื่องไม่ดื่มสุราอย่างเด็ดขาด มันเกิดไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบุคคลแวดล้อมมีสุรามายุ่วยวนอยู่มากมากเพื่อนก็ขยังขยอมากๆ ก, ก, ก็ไม่แน่เหมือนกันดังนั้นคนที่เด็ดขาดจริงๆ จ, ง จ, งจึงไปอยู่ระดับระโสดาบันขึ้นไปเพราะในสายที่ท่านล่าดได้เด็ดขาดแล้วจะถูกยุ่วยวนอย่างไงนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ทุชนไม่แน่เสมอเพราะอะไรเพราะแม่แต่บรรลุฌานแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นท่านจึงสอนในการปฏิบัติเบื้องต้นว่าเอาให้มันขาดสักเรื่องสองเรื่องไปก่อนก็ขึ้นไปด้เรื่อยแล้วก็เปลี่ยนพยามชนะให้หลายๆจุดีะบางทีทรงสอนออุปมาว่าคือกายนะครเมืองคือกายเนี่ยมันแตกมันพังไปง่ายมันเหมือนกับผัดชนะดินเพราะเมื่อจะต่อสู้กับกิเลสต้องต่อสู้ด้วยปัญญา จะลึกรู้ทันต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตแม้ในขณะนั้นๆแล้วก็ตัดกระแสของกิเลสดังนั้นทรงใช้ปัญญาในชั้นของการปฏิบัติทรงใช้คำว่านีเ้เบธิกะปัญญาคือปัญญาที่ชำแรกกิเลสหมายความว่ า, าชำแหละกิเลสหรือตัดกิเลสหรือฆ่ากิเลสได้จึงเรียกไว่าปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้พอถึงชั้นหนึ่ง หรือเป็นการรู้เท่าทันถึงความจริงที่เกิดขึ้นฉับพลันในขณะนั้นนั้นคือเกิดขึ้นสัมพันธ์กันทั้งสองด้านไม่ว่าจะนินทาหรือสรรเสริญก็ตามจะในกรณีของนินทาเกิดขึ้นก็รู้ตามความจริงบ้าตัวนี้ว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทา อย่างที่คติไทยเราก็อาศัยพระพุทธภาสิตที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วมาเขียนเป็นคำกรอนที่ว่าอ น, นินทากาเลมันเทน้ไม่ชอกช้าเมือนมีดมันกรีดหินแม้องค์พระปฏิมาอย่างราขินคนเดินดินได้จะพ้นคนนินทาเพราะฉั้นคนที่ไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกจะดีพิเศษอย่างไรคนจะนินทาจะได้เพราะนนในแง่การสรรเสริญมันก็มีลักษณะอย่างง้ ในเมื่อคนในโลกมีความหลากหลายสิ่งที่เขาสันเสริญนั้นในขณะที่คนหนึ่งเอาเรื่องนั้นเองมาสันเสริญแต่คนหนึ่งเอาเรื่องนั้นแหละมานินทาได้เพราะนินทาสันเสริญจึงไม่ได้อยู่จากปัจจัยภายนอกตัวคนจะไม่ใส่ใจถึงการกระทำํำการพูดของบุคคลอื่นตั้งนินทาและสันเสริญแต่จะมองที่การกระทําของเราโดยยึดหลักที่ ทรงสอนว่าสุทธิอสุทธิปัจจัตตางนานโยอันอย่างวิโสทะเ ย, ยความหมดจดหรือความไม่หมดจดหรือความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเฉพาะเราอีกคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เราคงเป็นอย่างที่เราเป็นแม้เราจะถูกตําหนิตีจิ้นนินทาว่าร้ายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีความผิดอะไร คำนิธานนั้นก็เป็นโมฆะเปล่าๆแน่นอนในสังคมโลกนั้นคงจะมีคนคล้อยตามเห็นตามก็เชื่อตามไปมากเพราะชาวโลกก็มีลักษณะอ่อนไหวอย่างนั้นแล้วก็ชอบในลักษณะอย่างนั้นด้วยแต่จริงๆเรารู้ด้วยใจของเราว่าที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงในกรณีของกา ร, การสรนเสริญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือให้รู้ความจริงว่า สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแกเราทั้งดีทั้งไม่ดีน่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะันสรรเสริญ ม, มันก็เปลี่ยนแปลงได้นินทามันก็เปลี่ยนแปลงได้และแม้แต่คนคนเดียวกันนั่นเองวันนี้แกสรรเสริญพรุ่งนี้แกนินทาได้หรือบางทีต่อหน้าแกสรรเสริญรับหลังแกนินทาเพราะ้นเอาอะไรจากข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้ แล้วก็มาให้แก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเองในลักษณะที่ทรงแสดงอธิปไตยด้วยความเป็นใหญ่ให้มองที่ธรรมอธิปไตยหรือแม้อตาอธิปไตยคือมองความเหมาะความควรของตัวเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นโดยไม่นำพาต่อเรื่องเหล่านี้จนเกินเหตุแน่นอนในชั้นของสังคมก็ต้องมองเหมือนกันเพราะตัวกระตุ้นให้เกิดโอดตปะอย่างที่เคยแสดงเอาไว้นั้นมีข้อหนึ่งที่ว่า ววิญญาชนจะตำหนิวิญญาชนใคร่ควรพิจนารณาแล้วจะตำหนิแต่การให้ความสําคัญเป็นการให้ความสําคัญแก่วิญญาชนในเรื่องของยศกับเสื่อมยศนินทากับสรนเสริญแต่และอย่างนั้นเป็นเรื่องของโลกกระทำที่เกี่ยวข้องผูกพันในชีวิตของคนยศมันก็เสือเส่อมได้นินทาก็เสื่อมได้สันเสริญก็เสื่อมได้คือสรุปว่าทั้งหมดทั้งลาบทั้งยศ ตั้งลาบเสื่มลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทานั้นอยู่ไปตามเหตุปัจจัยก็แก่มาจากคนนอกบ้างมาจากคนในบ้างแล้วก็เกิดขึ้นโดยธรรมบ้างเกิดขึ้นไม่โดยธรรมบ้างบางทีเราจะเห็นว่าในกรณีของสันเสริญเนี่ยในกรณีของการสันเสริญนั้นบางทีเป็นอาจยา ก, กรรมในซ้าไปแต่มีคนกลุ่มหนึ่งก็าสันเสริญคือพวกผานโดยการก็สันเสริญเพราะจะถือถ้อยคําของบุคคลบางพวกเป็นเหตุ แล้วก็เอานิยายนายไป ไ, ได้แต่ดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลมองทั้งสามเรื่องทั้งสามคู่นี้ในแง่ของเหตุปัจจัยเพราะมันเกิดเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นให้รู้เท่าทันถึงความจริงเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดากรนี้เพื่อสังเกตว่าการ ด่าว่าใส่ร้ายพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในเมืองโกสัมพีที่ทราบกันก็นั่นก็คือลักษณะของนินทา น, นั่นเองแต่ถ้าจะเอานิยายนเรื่องเหล่านั้นพอเขาด่าว่าเขาตำหนิแล้วเกยต้องหลบหนียังความคิดของพรานน์นลในสุดเราก็ต้องหนีอยู่เรื่อยไปแต่นั้นจะต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ความจริง แล้วความจริงจริ ง, รงมันเป็นยังไงปัญหาที่จะแก้จึงไม่ได้อยู่ข้างนอกก็แก้ที่ตัวเราดังกล่าวแล้วก็มายการวิเคราะห์ตรวจสอบในส่วนของเราในชั้นหนึ่งเราหาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านเช่นว่าลาบเราก็หาประโยชน์จากส่วนลาบได้ยศก็หาประโยชน์จากส่วนยศได้คือเอาเฉพาะเกียรติยศแต่ส่วนอิส ย, ย์ยศหรือบริวารยศนั้นจะมีหรือไม่มีมันก็ตามปกติก็จะตามมา แต่ว่าข้อสำคัญอย่างยิ่งที่มีปัญหาในการปฏิบัติในเรื่องยศเราจะเห็นว่าคนมักแกลนไปด้วยแรงของภวะตหาคือความอยากเป็นโดยไม่คิดในแง่ที่เราควรจะกระทมที่จริงแต่ละคนก็เป็นอยู่ในฐานะใดฐานะหนึ่งแล้วและในฐานะนั้นเองถ้าเราจะใช้เกิดประโยชน์คือพยายามทาให้เต็มที่ในจุด ท, ที่เราเป็นเรายังมีงานอะไรทาอีกมากมายได้ก ถ้าสมมติเราเป็นพระภิกษุสามเณรธรรมดาธรรมดาเนี่ยม่ว่าจะต้องดิ้นไปไหนก็ในจุดนั้นเราก็ทําให้เต็มที่แต่ก่อนก็แล้วกันแต่ก็ไม่มีใครทําเต็มที่ในจุดที่ตัวเป็นแล้วก็อยากเป็นเรื่อยๆไปแล้วในที่สุดมันก็สร้างปัญหาหักเคออกไปเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งที่เรียกว่าเป็นการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบทำเพราะสรรเสริญมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื่อจาจิตใจของบุคคลสับสนในเรื่องของสรรเสริญ แทนที่จะมองว่าการสรรเสริญนั้นเกิดขึ้นจากไอ้เกียรติยศคือการกทำความดีนั่นเองจึงมีการพยายามแสวงหาการสรรเสริญซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งแม้ในประวัติศาสตร์หรือวันนัดีที่เราเคยพบเคยเห็นก็บางทีไม่ดีอย่างนั้นแรละแต่ก็จ้างคนให้ไปยกย่องสรรเสริญไปเผยแพร่เกียรติคุณความดีของบุคคลเหล่านั้นบางครั้ง คนก็มาสันเสริญเพราะประโยชนประแจงเพื่อต้องการได้ประโยชน์จากเราแล้วในในที่สุดคนที่เสียมากก็คือเราจะรู้จักตัวเองน้อยลงเพราะพยายามมองปัญหาเพียงด้านเดียวคือต้องการได้ยินเฉพาะคำสันเสริญเท่านั้นพอใครตาหนิตีติงข้าวก็เกิดโกรธเกิดไม่พอใจ ในที่สุดมันก็สำลักสำลักคำยกย่องสนรเสริญเหล่านั้นแล้วส่วนมากคนประเภทนี้ก็จะจบลงง่ายๆหืออย่างที่บางครั้งผู้เจ้าได้เล่าเป็นรูปของเรื่องราวนิทานบุคคลได้ชี้เห็นว่าพวกนี้มีลักษณะสำลักพวกลาบพวกยศพวกสรรเสริญหรือบางทีก็ซ้ำเติมตัวเองในกณีของเสื่มลาบเสื่มยศถูกนินทา นั้นถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันทุกจุดแล้วก็ใช้เหตุผลในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอยู่อย่างมีสติปัญญาพิจิพิจารณาหาประโยชน์แล้วก็หาประโยชน์ได้ทุกจุดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งว่าพวกเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทานี่ยเป็นตัวเร่งมากเป็นตัวเร่งที่ทําให้คนเข้าหาธรรมะได้มากกว่าพวกลาบพวกยศพวกสรนเสริ ตอนตีนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป